จบเสียงงานพุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่17บทสรุปเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของภาคที่สองหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายมีทั้งหมด3ภาคเป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นหมวดหมู่แจกแจงโดยละเอียดชาวพุทธทุกคนควรมีโอกาสได้ศึกษาสักครั้งในชีวิตจะมีผลให้ศึกษาพระไตรปิฎกและฟังคําสอนครูบาอาจารย์ท่านอื่นได้ดีขึ้นนะครับ แนะนำให้ย้อนไปฟังตั้งแต่บทนำสู่พุทธธรรมพุทธธรรมเฉพาะภาพรวมและฟังตั้งแต่บทที่หนึ่งไปตามลําดับหรือหากฟังจบแล้วควรหาเวลาฟังซ้ําอีกเมื่อมีโอกาสจะทําให้ท่านเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งขึ้นได้อีกนะครับและควรใช้เสียงงานเพื่อเป็นการฟังเบื้องต้นหรือเพื่อฟังทบทวนเท่านั้นหากต้องการอ้างยิงควรตรวจสอบกับเวอร์ชั่นพุทธธรรมออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดญาณเวศกวันโดยตรงอีกครั้งนะครับ ขออนุมมทนาจะภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ครอบครัวคณิตวิชากุลครอบครัวดิลกพัสกุลครอบครัวแก้วเทศจุติเดชสุภกิจสินรสกรกุณเพิ่มทวีรัตพลพร อ, อภิวัฒนาเสวีพันงามพิริยากุลชัยนาวาอากาศโทสมมาตรคันธนูเอกอนงบันจงวัฒนาเปลี่ยนละปลิวสายวานิษ์อนุภาพอ่วมมีเพียนธิระวุฒสายมาแก้วกัญญนัททองบุญวันพิชา